ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่หลวงบโนทิยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสังกปะคือความดําริชอบได้แก่การดําริในทางไม่เบียดเบียนประทุสศลายซึ่งกันและกันแต่การที่จิตของบุคคลจะพัฒนาขึ้นไปได้ระดับนั้น มันจะต้องมีปัญญาในการตรวจสอบการความคิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหรือคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราได้เมื่อเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเบียดชังความทุกข์เช่นเดียวกันแล้วเราก็งดเว้นไม่มีการกระทําไม่มีการพูดซึ่งในการเดียดเบียนหรือทุจรายบุคคลอื่น วันที่เรามองที่โอาวาทปาติโมกข์อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังในวันกอ่นอนโน้นว่าเป็นธรรมสั้นๆคือสามาาคาถาตึงแต่พระเจ้าทรงสแสดงในรูปของธรรมะที่เป็นอุดมการณ์หลักการวิธีการแล้วก็นําไปสู่ปฏิบัติการแล้วเกิดผลเป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าประสิทธิการคือประสบความสำเร็จ ผลตามเป้าหมายแต่การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแต่ถ้าเรามองโดยความภาคภูมิใจในความเป็นพุทธศาสนิกชนทุกส่วนของโลกนะฮะไม่ว่าอยู่ในส่วนใดก็ตามเราจะไม่สามารถบรรลุมักผลเป็นพร ะ, ะบุคคลกันได้มากๆ แต่ถ้ามองระดับเบียดเบียนจนถึงกับกรีธาทัพไปเบียดเบียนบรรทุศร้ายบุคคลอื่นเนี่ยเราไม่เคยใช้ศาสนาพุทธไม่เคยสร้างเงื่อนไขเพื่อรถถบทัพจับสึกกับใครโดยใช้ศาสนาเป็นเหตุมีแต่เราถูกเบียดเบียนจากศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาใ ห, ใหญ่ที่เบียดเบียนพุทธมากเนี่ยก็คื อ, อคือฮินดูคือคริสต์คืออิสลาม แ, แรงที่สุดก็คืออิสลามลเจอเห็นว่าบนเส้นทางการเผยแผ่ของศาสนาอิสลามทำให้าศาสนาพุทธเนี่ยถูกทำลายไปเยอะแยะไปหมดและในการต่อมาก็พวกคอมมิวนิสต์นะฮะเกิดขึ้นแล้วก็ประทุษาล้ายพระพุทธาศาสนาได้ง่ายเพราะว่าพื้นฐานความคิดธรรมปฏิบัติทางาศาสนานั้นมันถึงจุดหนึ่งี่คือกลัวบาป คือถ้าเลือกเอาระหว่างที่ให้เราถูกฆ่ากับคนอื่นเราฆ่าคนอื่นเนี่ยถ้าจิตเราขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยเรายอมคนอื่นจะฆ่าเราดีกว่าที่เราจะฆ่าเขาเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตจะมีความตายเป็นที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะฆ่าคนอื่นเนี่ยบาป ก, กรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการฆ่ามนุษย์เนี่ยมันจะหงวงเนี่ยวไปสู่นรกได้ เราจะต้องชใช้บาปกรรมดอดดันดูนานแต่เราถูกคนอื่นฆ่านี่เราก็ตายเร็วขึ้นแตนั่นเองยิ่งไงเราก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าตายเร็วขึ้นเพียงแต่ว่าเราตายด้วยการไม่ทําบาปนะ่ะทางการมองแบบพุทธไม่ใช่มองระยะสั้นๆเป็นการมองในรูปของสังสารวัตรจึงไม่มีการผูกเวรผูกภยัยไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกัน สมาี่เป็นฐานใหญ่เนี่ยมันก็จึงอยู่ที่ปฏิหารทั้งสี่ที่เป็นการมองสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะเห็นว่าเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์หมายความพัฒนาเลยขั้นสีนมาแล้วในการมองว่าสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็พร้อมจะแสดงออกซึ่งเมตตาจิต โดยการกระทําโดยการพูดมันเป็นการจะท้อนไม่ตาจิตต่อกันแล้วปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งประสบปัญหาประสบความทุกข์ภัยโรคนะฮะส่วนใหญ่ก็ทุกข์ภัยโรคเป็นการกล่าวโดยสรุปคือถ้าเราจะนับพวกนี้มันนับได้เยอะน ะ, ะแต่ลองสังเกตว่าถ้าพูดอริาเรศกับพูดคําเดียวคือถุกน ะ, ะภัยมันก็เป็นทุกโรคมันก็เป็นทุกอันตรายมันก็เป็นทุกปวดหัวปวดท้องมันก็เป็นทุกเนะะี่ย เป็นแค่คำเดียวพรนกตุนาก็คือมุ่งขจัดบรรเท่าความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจึงอาจจะป้องกันอาจจะบำบัดเพื่อไม้ภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลดอานั้นแต่ว่าเนื่องจากเป็นธรรมะมันก็ทุกคนจะต้องปฏิบัติที่วันก่อนยกตัวอย่างให้ฟังว่าสังคมไทยเนี่ยมัน มันไม่ใช่แรงน้ำใจนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยบ้านใจในกุศลเพื่อช่วยเขาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเวลาที่ต้องหวาดระแวงต้องเยอะเลยนะจนสมมติเราจะช่วยคนสักคนหนึ่งบางทีเขาก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ใช้เราเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายเรา ว่าเราเป็นพักผู้เป็นโจรเป็นพูกเดือกับโจรอะไรแต่ไรเนี่ยฮนะเพโลกมันมันพลิกแพร่มากมันโหดร้ายเพิ่มขึ้นนะคือจิตใจที่กรุณากันมันมีน้อยเมื่อก่อนมีพระท่านมาเล่าแล้วเราก็สะทกสะท้อนนะโหดหูว่าโอ้โ ห, โ, หโลกมันโหดร้ายกันขนาดนี้เชล เลาเครื่องค่อนข้างแรงนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานมีสามีกับพัญญาไปพบ ก, กับพระตอนหัวค่ำก็นั่งคุยอะไรกันเสร็จแล้วก็ก็ลามาแล้วนะะลาลงมาแล้วพันยาก็กลับขึ้นไปขอเข้าห้องน้ำพระท่านก็ชี้ให้เข้า ที่ห้องน้ำให้แต่ว่าเธอคงเข้าใจว่าพระเดินตามไปไเลยกรีดร้องใกล้ๆกับพระปุกปั้มคนก็ขึ้นมาดูแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันวางแผนกันไปทั้งสองคนผัวเมียเป็นแผนนารีพิฆาตที่มันเกิดแพร่หลายกันไนยะ แล้วมีพระองค์หนึ่งเป็นราชาคณะแล้วก็อายุไม่มากเท่าไหร่ทันเข้าไปขอสตังค์พอดีไม่มีเด็กแล้วก็มีคนเอาสตังค์มาวางไว้ถวายไว้ร้อยบาทท่านก็ชียย้จิบเอาแล้วก็ไปแล้วในการต่อมาวันนั้นน่มันมั น, มนออกคือคือวันนั้นมีพระอื่นนั่งอยู่ด้วย ่อมาวันหนึ่งนี่พวดเข้ามาในพระอยู่รูปเดียวพวดเข้ามาเลยมาถึงก็แสดงอวัยวะเพศด้วยโยนนะครับกลืนไปคำอยู่ที่ประตูพระก็ไม่จะออกไปทางไห น, นพระท่านก็สมมุตเกิดสงบใจนะเกิดถือว่ามันไม่รุกมาก็เฉยๆก็นั่งเกยเฉยๆ เองว่ายุยวนอะไรไม่ได้แกก็บอกว่าอยู่วันนี้ท่านรอดไปนะวันหลังก็ระวังระวังตัวให้ดีนั่นก็คือแนวที่ว่ามันโจโจงมาเบียดเบียนโดยเฉพาะแล้วกลายเป็นจุดอ่อนในสังคมไทยที่ว่าถ้าใครลงข่าวพระในเรื่องเหล่านี้แล้วพระก็ไปเลยคือไระยอมฟัง ไม่ยอมฟังเหตุผลของคนอื่นโดยยกยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างในแคนดีของคุณอะไรพักดีพรยีอดีตนายกชวนเนี่ยคือนราคิดว่าทำไมหนังสือพิมพ์มันเล่นกันแรงเลยเกิดเป็นข่าวมโนสารได้ชัดๆนะฮะข่าวอย่างเงี้ยทาลงลงได้ทุกวันวันนึงเป็นร้อยๆเลยทำไมมันเล่นแล้วก็ไปเชื่อเด็กหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็ต โดยยังนึกสงสารเขาไว้ทอนตอนผัวก็เป็นนายกอยู่ทาไมไปอีออกกับเขาไปพี่นอไปเท่ากับเขาทำไมพอผัวเขาไม่ได้เป็นนายกเราจึงไปเหยียบย่ำซ้ำเติมเพื่ออย่างนั้นนั่นคือการเบียดเบียนจิตใจที่มีความคิดในทางเบียดเบียนว่าเรามีความรู้สึกมันไม่ยุติธรรมหรือแม้แต่ว่าเรียกเขาพัญญาที่ไม่ได้จดทะเบียน ปัญญานอกสมรถใช้กับมันนอกสมรถแต่พอพูดถึงคุณยุย้ยปัญญาของคุณพลเอกสุ น, สนทรคุณมังโนปัญญาคนสุดท้ายหมายความยังไงอันนี้คือคือเราจะเห็นว่าลักษณะมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไงเราออกมาจากฝือนะฮะที่จิตใจมันมีแต่ความเบียดเบียน จนบงังครั้บางคาวดูความร้สึกเอะสอบางคนนะไม่แม้แต่ตุกคนนะส่วนส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นส่วนน้อยคือข้อความเนี่ยไม่เห็นใครดีเลยนะเราจะอ่านอ่านลองดูแล้วไม่เห็นใครดีเลยมีแต่คนเลวมีแต่คนโง่นะฮะเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าจิตใจในลักษณะนี้ทําให้สังคมในสงบไดะยากเพราะความกรุณามันเป็น จิตสํานึกที่มองคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วเขาก็วางประสบความทุกข์เขาเรียกว่ามีสัตว์ที่ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์คือเป็นตัวกระตุ้นในเราเกิดก ร, รุณาขึ้นมาถึงตามปกติแล้วก็ยากนะฮะอย่างที่บอกมันยากขนาดพระรถพร่มเนี่ยแกยังมาจะไปยึดแย่งเข้าของเงินทองเอาได้ ภาษาอะไรกับากชาวบ้านแล้วภาพเหล่านี้มันหนีมากเลยสมัยโบราณเนี่ยคือเขาถือมากนะของคนที่ตายเนี่ยเขไม่เอาและมายัางนี้กาเป็นความวิประดิษฐ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองที่คนเอาเคื่อผ้าทหารตายมาขายกันนะโดยเฉพาะทะหารญี่ปุ่นเนี่ยขายขายกันเยอะมากในท้องตลาดเนี่ยเด็วคนก็สนิทสนมคุ้นเคยกับการ เอาของกดตายมาใช้นะไปถอดรองเท้าจากศพทหารหรืออะไรนี่ไปเอาถอดเข้ามาหรือแสดงมาจิตใจเขร่งเปรียบอะคือยังไงก็ตามเ้าตายแล้วเนี่ยเขาควรจะมีป้านุ่มหน่อยนะใจคอออกขนาดนั้นเถอะนั้นแสดงให้เห็นไหว่าจิตที่กรุณามันอ่อนแอลงไปแต่ว่ามีความเห็นแก่ตัวมีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายมีการขัดขวาง และการมองปัญหาในแนเนี้เวลานี้เราจะเห็นว่าอย่างอย่างนี้ยังเห็นแก่ตัวอย่างเขาคราวเรื่องหาดแม่ลำพึงซึ่งเวลานี้มันโศกปศกเละเท็หมดแล้วส่วนนี้จะเป็นแหล่งการท่องเที่ยวแล้วก็แต่ราชการเองจะดําเนินการอะไรก็ทําไม่ได้วันกร น, นั่งรถผ่านลําตะคองคือมาได้รับนิมนต์ไปประเทศจีนสี่ห้าวัน แล้วก็โยงก็นำไปล่องทะเลสาบสีหูพอเราเห็นนี่เราคิดถึงลำตะคองทันทีว่าปริมาณน้ำนี่ย่างนึกว่าของเราน่าจะมากกว่าดีวยซ้ำไปนะฮะแต่ของเราบรรยาวแต่บางตอนก็กว้างมากเออถ้าหากว่าเราจะมีการนำเที่ยวลงภายเรือชมวิวนะ ดูน้ําไปเพืิ น, นมันก็หาประโยชน์อะไรได้เยอะโดยเนี้ยก็มีการลุกล้าลงไปในพื้นที่ปรากฏว่าทางราชการจะจัดการอะไรก็ทําไม่ได้นันก็แสดงเห็นอะไรแสดงว่าคนที่อาศัยแผ่นดินเนี่ยมันขาดความสมํามคุณในแผ่นดินแล้วก็ทําตัวเป็นเจ้าค้าเจ้าของครอบครองผลประโยชน์กับแผ่นดิน เดี๋ยวนี้มากำลังลรณรงค์กันเด็กก็มีโครงการอบรมโยชนอยู่เยอะเราก็พยายามคุยกับพวกเธอแล้วก็ตั้งปัญหาถามให้พวกเธอช่วยกันคิดแล้วก็ไม่ต้องตอบนะฮะเอบรมทีประมาณสามสี่รอยห้าร้อยแต่แต่เนี้ยนะแต่ทั่วใหญ่ก็เอาประมาณสามสี่ร้อยถามให้เธอคิดแล้วเอาไปคิดต่อแล้วหาคำตอบไปได้ เพราะว่าถ้าเด็กระดับม .3 ขึ้นเนี่ยมาจะใช้หลักซื่อสั ต, รรตย์กตัญญูรู้หน้าชี่คือขอสามอย่างซื่อสั ต, รรตย์กตัญญูรู้หน้าชีแต่เล็กกว่านั้นเราก็บอกว่าเรียนดีประพฤติดีไม่ไดื้อเราขอสามข้อให้จับเป็นหลักเอาไว้แล้วเด็กกะคิดแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีรูปเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมคือไม่ต้องตอบ จะให้เด็กแกคิดเอาแล้วเราในถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราเกิดมาได้ไหมแล้วประการที่สามก็คือถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเราจะเกิดไปเป็นคนได้ไหมทีนี้ถ้าเด็กแกเล็กหน่อยนะะเด็กแกเอามสามมาเลย แ, แ, แล้วก็ถามต่อไปว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นแมวเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมเพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้เรามองเห็นว่าเรานี่คือผู้อาศัย อาศัยก็ตลอดชีวิตกว่าจะเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยอาศัยอยู่เยอะลเลอเกิดพระเองพระพุทธเจ้าสอนให้คิดสอนให้สำนึกคุณชาวบ้านในฐานะที่เป็นผู้อาศัยชาวบ้านสงวางไว้บทหนึ่งว่าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นเราควรทำตัวเขาเรียกง่ายเราอาศัยเขา อย่าทำให้เขาหนักใจอย่าทำให้เขาเดือดร้อนทีนี้ความคิดอย่างนี้มันจะต้องมาจากสำนึกคุณของแผ่นดินสำนึกคุณพ่อแม่สำนึกคุณสังคมคือคือเรากับสังคมเนี่ยที่จริงเราเป็นหนี้สังคมเราพยายามจะพูดกับพวกระดับนักศึกษาระดับข้าราชการเนี่ยคือให้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีข้าราการประมาณสองล้านกว่าแต่ประชา ก, กรเรามีตั้งหกสิบกว่าล้าน คุณก็เป็นคนพิเศษอยู่แค่สองล้านกว่ า, วาแต่คุณเคยคิดหรืเปล่าว่าค่าครูที่มาสอนคุณค่าอาคารสถานา ท, าที่ค่าน้ำาข้าไฟในสถาบันการศึกษาชั้นต่างๆที่คุณได้เรียนเนี่ยแล้วในขณะที่เพื่อนรุ่นราวคนเดียวกันต้องไปไถนาต้องเป็นกุลีต้องเป็นกรรมกรต้องแบกหามเนี่ยแล้วคุณมานั่งเรียนเนี่ยมันได้ไมาจากอะไร ได้มาจากความเสียสละของคนจำนวนมากที่เสียสละภา ษ, ษีธนุบัตรุงชาติบันหนึ่งผลความคิดตัวเนี้ยมันคนจะต้องมีความสำนึกแล้วเนี้สำนึกตรงเนี้ยมันค่อนข้างอ่อนแล้วก็การการุณาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับบาปบุญคุณโทษ ถากว่าเรายัางไม่มั่นใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วเนี่ยจะเกิดกรุณาจิตยากเพราะอะไรเพราะว่าวิาวหิงสาที่ผม ว, วิ่งนําไปข้างหน้าแต่ก่อนคล้ายๆกับท่านฟังอาจจะลองสังเกตดูกว่าเช่นสมมุติเราเกิดปุจสนเจตนาต้องการจะบริจาคทานเนี่ยบางทีมันความเะหนีามันวิ่งแซงหน้าไปเลยป้องกันห้ามปรามขัดขวางะชี้แนะกันด้วยวิธีต่างๆที่ในที่สุดเราก็บริจาคไม่ได้ ภายในใจเราเนี่ยมันมีพระด้วยมีมารด้วยบางทีเราก็สู้มารไม่ได้บรรดาสัพพิเกเรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นมารนะบว่าในการที่มองกรุณานี่แค่ๆจะง่ายแต่กรุณานี่ทํายากเพราะอะไรเพราะว่าเบีดเบียนเนี่ยจะมาก่อนมันจะแสงหน้ามาก่อนถ้าเราไม่ตั้งจิตไปที่ฐานคือเมตตาถ้าจิตเราไม่มีเมตตาเนี่ยเราจะกรุณาได้ออยาก เพระนั้นเวลาพระเจ้าสอนเนี่ยจะทรงสอนที่เมตตาก่อนพอถ้าเราเมตตาได้เนี่ยเราจะกรุณาได้ใครก็ตามแต่เราเมตตาเข้ามากเท่าไหร่เนี่ยเขาประสบปัญหานิดหน่อยเราเกิดกรุณาทันทีได้มันจิตจะไปง่ายแต่ทีนี้เอเอเมตตาอีกเองก็ไปญด้ยากเพราะสังคมเรามันแบ่งเป็นเราเป็นเขาแบ่งเป็นเราเป็นเขาเกินเหตุเกินผลไป ที่ธรรมะในเราไม่เข้าถึงไอเนื้อหาสาระของความเป็นผู้แม้แต่ในความเป็นพระเองนะฮะยังแบ่งแยกกันออาม า, า ก, กังกำลังจะพยายามรวบรวมพวกวิทยากรที่เผยแพร่ธรรมะทางสื่อวิทยุเนี่ยเข้ามาคุยกันก็พยายามรวบรวมมาหลายครั้งแล้วนะฮสองสามครั้งแล้วแต่ก็ทำไม่ค่อยได้ตลอด อยากจะคุยกับท่านโดยเฉพาะือเรียกมาท่านมาโดยเฉพาะเรามาคุยมาปรึกษากันเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหนง่งนะแต่ว่าเรียกมาคุยในฐานะที่เป็นเพื่อนทำงานสายเดียวกันเพื่อประสานสร้างหลักร่วมทำความคิดหลักร่วมทากิจกรรมหลักร่วมทางผลประโยชน์ต่อกันแต่าบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านก็เป็นเจ้ายุตจักนะผู้กระทัญยากัน หรือใหญ่ตัวแล้วเราก็ไม่ใหญ่นะเราก็เล็กๆเจอก็ก เ, กเรียกท่านมาไม่ได้ก็เอามาคุยไม่ได้จึงถ้าหากว่าเรากลับไปสู่หลักการที่พระเจ้าทรงวางไว้ว่าแนวศาลานิยธรรมเนี่ยแนวศาลานยธรรมนั้นเกื้อเมตตาที่แสดงออกทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจ แล้วพิสูจน์ด้วยการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็มีการสงเคราะห์นุเคราะห์กันอันนี้เราเห็นว่าโกลนามันเด่นขึ้นมาเขาขาดแคลนเราก็สงเคราะห์เขาเขามีอยู่เราก็อนุเคราะห์เขานะเขามีปัญหาเราก็ช่วยเหลือเขาแล้วก็มีความสานึกรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้สึกรับผิดชอบด้วยกัน กร์ดกเราเข้ามาสังกัดในองค์กรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าใจเราขาดน้ําใจต่อคนร่วมองค์กรเนี่ยมันจะเอาตัวรอดตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดถึงบุคคลอื่นความเสื่อมเสียต่างๆอาจจะเกิดขึ้นประการกระทําของเราแล้วก็ไปกระทบคนอื่นคนอื่นก็พอยสื่อมเสียพอยเดือดร้อนเพราะการกระทําของเราด้วย ผการตัวนี้มันจริงต้องเริ่มมาที่เมตตาดังกล่าวแต่เมตตาวันก่อนก็ได้พูดไปแล้วนะในอัปญาปาแะสังกัปปะนี้ทีนี้กรุณาเนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติที่ชื่อว่ากรุณาเพราะว่ากระทาคือเมื่อคนอื่นมีทุกเนี่ยให้เกิดความละบากใจของคนดีทั้งหลาย หมายความว่าพอเห็นคนดื่นก็มีทุกข์ในเรารู้สึกเป็นทุกข์กับเขาด้วยว่าทำยังไงว่าอย่างน้อยก็มีส่วนแบ่งเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เขาตอนนี้คนไทยเราค่อนข้างเด่นนะฮะแต่ว่าพอศึกษารายละเอียดบางทีก็น่ารำคาญเหมือนกันอย่างค้าวหนึ่งที่เกิดสาธารณาภัยทางภัดใต้ ต, ต่างประเทศก็ส่งผ้าห่มขนสัตว์อย่างดีมาให้เนะี่ยประมาณหลายพันคืน ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่ถึงคนที่รับใจถูกยัดไายเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วบางครั้งมันคราวเนี่ยเราเรียไรเพื่อจะนำไปช่วยเหลือเอขาก็ถือว่าคนก็ทำด้วยความสุจริตใจเราก็ไม่รู้นะว่าอะไรเป็นไรก็ใส่เข้าไปใส่กลองเข้าไปเนี่ยไปเจอผ้าขาดผ้าปิดเปื้อนสกปรกเป็นใส่ลงไปโอ้โหแล้วเวลาที่หลังทำงานตัวเนี้ยต้อง ตรวจสอบก่อนตรวจสอบไ้ดีก่อนเขาบริจาคอะไรมาคือถ้าจะกรุณาจริงๆเนี่ยมันต้องบำบัดทุกข์เขาได้หมายความการช่วยเหลือก็อคุณอะไรก็ตามจะต้องสามารถบำบัดทุกข์แก่เขาได้ถ้าไม่สามารถบำบัดได้ก็มันไม่เป็นการของ ก, ร, ก, ร, กรุณาแต่นั้นที่ชื่อว่ากรุณาเพราะว่ากระจายคือช่วยสลัดทุกข์ของคนอื่นได้ แล้วถึงจุดเดนเนียไม่ไม่ได้ใส่ใจว่าเขาเป็นใครอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากรรมกรพี่น้องไทยเราที่ไปอยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อตอนสงครามอ่าวเนี่ยที่มาช่วยพวกแพทย์พวกพยาบาลของเราไปช่วยคนไทยของเราที่ไปทำงานดังอื่นอยู่เนี่ยขึ้นเครื่อ ง, งบินได้ทั้งหมดมันเป็นความยิ่งใหญ่มากนะะใจเขาเป็นกรรมกรตัวเขาเป็นกรรมกรท่านนั่นเอง ทำงานรายวันรายเดือนแต่ว่าใจเป็นใจหมาบุรุษเป็นใจที่ยิ่งใหญ่เพราะความกรุณาเนี่ยมันเป็นพื้นจิตของคนระดับไม่ใช่ธรรมดาถ้าไม่งั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ในงานบางอย่างงานบัตรทุบที่เกิดขึ้นกับคนอื่นบางทีไม่ได้แสดงอาการหลังเกลียดขยะขยงอะไระทําด้วยความรับรู้ชื่นชมยินดี นะที่ตัวเองได้มีส่วนแบ่งเบาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่เขาเพราะงั้นอาการบีบคั้นคือเบียดเบียนทุกข์เนี่ยคือจะพยายามลดความทุกข์ออกไปแล้วก็พ่อนคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยเราอาจจะประสบความทุกข์ทรมานแต่ว่าพอคนอื่นก็หลุดรอดจากความทุกข์เราก็เป็นสุขนะฮะ เราเกิดมุติตาสำคัญยิ่งยิ่งคือเกิดมุติตาเวลาเขาอรอดพ้นจากความทุกข์เนี่ยจิตมันจะเดินบนกระแสนธรรมะตลอดต้องฟังทั้งหลายแต่รลมปพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาดังเท่านี้ที่สุดดีขอความเจริญง้อ ง, งามบพริบรณ์ในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทยถูกกันสวัสดี